และการที่นางได้สักการะอื่นจากอัลลอ์ได้หันเหนางออกไปแท้จริงนางอยู่ในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ ฟัลลัมม์ร่าเอตหَฮัศَบต์ห์ลุดจ์โต้วคัَฟัตแอนซาควَฮะกลِาวอินْนห์ซาร์พุมมารดุมม ر ลควาริดกล่าวทัรบีอินนีกลัลม์َุลับซีวอสเลมตุมาสุเَย์ม ل ลิลลาฮิร์ِับิลลาอัได้มีเสียงกล่าวแกนางว่า โปรดเข้าไปในวังเถิดครั้นเมื่อนางเห็นมันนางคิดว่ามันเป็นสระน้ำและนางก็เลิกหน้าแข้งของนางเขาสุไลมานกล่าวว่ามันเป็นวังประดับด้วยกระจกนางได้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันได้อาถธรรมต่อตัวฉันเองแต่ฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุไลมานเพื่อเอาล้อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ا إ ا أ และโดยแน่นอนเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอละไปยังเผ่าสมุตรโดยพวกเขาเคารพภักดีต่อเราและพวกเขาก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วโต้เถียงกัน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 قالوا الطيّر لابك وبممّعك قال طائِرُكم عند الله بل ألتم قوم ت ف ت ن و ن พวกเขากล่าวว่าพวกเราได네้ประสบโชคร้ายเพราะท่านและผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านเขาโซและกล่าวว่าโชคร้ายของพวกเจ้าอยู่ที่อัลลอ์แต่พวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่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 และเราได้ช่วยบรรดาผู้สัทธาโดยพวกเขาเป็นผู้ยำเกรงให้รอดผลนและจงรำลึกถึงลูดเมื่อเขากล่าวแก่ชุมชนของเขาว่า พวกเจ้ากระทำการลามกทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเจ้าก็รู้เห็นอยู่กระนั้นหรืออแท้จริงพวกเจ้าสมสู่ผู้ชายด้วยตัณหาแทนพวกผู้หญิงกระนั้นหรือยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลา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 แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ์และเราได้ช่วยเขาและก็บริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่พัญญาของเขาซึ่งเราได้กำหนดให้นางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย และเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันช่างชั่วช้าเสียนีกอะไรโอลิลฮมดุลิล ล, ลฮะุนิิลลสตาัลออั ม, มาุชริกนจุงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ และความสันติจงมีแด่ปวงบ่าวของพรุ่มผู้ซึ่งพรุ์ทรงคัดเลือกแล้วอันลอดดีกว่าหรือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคีนั่นดีกว่าอัน ม, มันคอลักสมาวาทิวัลอรรดวะอัน ز ลละคุมมินสมาอิมาอัฟอันบัดนา ف أ ؤ م ت ن ا به حدايقذا تبهجت ما كان لكم أن ت ؤ م ت و شجرها أ إلىهم مع الله بل هم قوم يعدلون หรือผู้ใดเล่าที่สร้างบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้า แล้วเราได้สวนต่างๆงอกเงยสวยงามด้วยน้ำนั้นพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมาได้จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าเลยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ตั้งภาคีอัมม์จ้าล่ออัลกรารว์จาล่ขิลาเลอันฮารูว์จาล่ลอฮารวาสี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 จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอร้อยอีกหรือเปล่าเลยพวกเขาส่วนมากไม่รู้อัลไ ม, มูจีบอลมุตต ร, รอิดาดะฮ์ฮุวายักชิฟอัสูวายจักรุคุมคุลฟาอัลอรไอาอิลาฮุมมะอลลาฮกัลีลัมมาตะดัก์รุน หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพร่งและทรงปลดเปลื้องความชั่วร้ายนั้นและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดินจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใค ร, คร่ครวญอัมม ah ลรรลอฮ์ อน ال หรือผู้ใดเล่าจะชี้ทางนำแก่พวกเจ้าในความมืดทึบของแผ่นดินและน่านนะ้ำและผู้ใดเล่า ส, ส่งลมแจ้งข่าวดีท่ามกลางความเมตตาของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับะล้ออีกหรือ อลลส่งสูงส่งเนือสิ่งที่พวกเขาตัต้งพาคีัมไม่จะ بدء الخلق ثم يعيده وَمَن يَرزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُم مَع اللَّهِ قُلْ هَاتُوا د ِ ر ْ ه َ ا ن َ ك ُْ إِن ك ُ ت ُ م ْ ص َ ا د ِ ق ِ ي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 จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะรู้สิ่งพ้นญยานวิสัยนอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่รู้เมื่อใดที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ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 แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ขอบคุณและแท้จริงพระผู้วยาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเด้นในชั้นฟ้าและผ่นดินเว้นแต่มันอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งแล้ว إِنَّ إِسْرَائِيلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى الَّذِي يَقُصُّ أَكْتَرَ بَنِي فِيهِ แท้จริงอัลกุรอานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสราเอลแต่พวกเขาส่วนมากขัดแย้งกัน وَإِنَّهُ وَرَحْمَةٌ لَهُدَا لِلْمُؤْمِنِينَ และแท้จริงมันอัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่รบรบดาผู้ศรัทธา ah um แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อชี้ขาดที่ยุติธรรมของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้วว الله, นนดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่อรอเถิดแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรมอันชัดแจง้งแท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยิน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 นอกจากผู้สทธาต่อองค์การต่างๆของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมและเมื่อพระ ร, ราชบัตเกิดขึ้นแก่พวกเขา เราได้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขาเพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราและจงรำลึกถึงวันที่เราจะเรียกทุกทุกชาติมาชมุมนุมกันเป็นหมู่คณะ จากบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเราโดยที่พวกเขาจะถูกนำมารวมเป็นกลุ่มๆกลุ ม, าากล ما, ما, มมฮิทุบฮะอลทุไบมาลลตุมต่มจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงพระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าได้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของข้ากระนั้นนึกโดยที่พวกเจ้าไม่ได้รู้มันเลยหรือว่าอะไรเล่าที่พวกเจ้ากระนั้นทำไปและหลักฐานได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขาเนื่องด้วยพวกเขาได้อาธรรมดังนั้นพวกเขาจึงพูดไม่ได้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 แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาและจงํำลึกถึงวันที่สังจะถูกเป่าขึ้นดังนั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตะรนก เว้นแต่ผู้ที่พปรงองทรงประสงค์และทัง้งหมดได้มาหาพปรองในสภาพผูท้ท่อมตน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 ผู้ใดนำมาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้นและในวันนั้นพวกเขาจะปลอดภัยจากการตื่นตระหนกว่าไม่จะ بالسيئة فكبت وجههم في النار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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับบัญชาว่าให้เคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งเมืองนี้ซึ่งพระองค์ได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามและทุกสิ่งเป็นสิทธิของพระองค์และฉันได้รับพระบัญชาให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมและฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอานดังนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาก็ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเอง และบูดาดหลงผิดก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือนเท่านั้นและจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณทั้งหลายของพรลง และพวกเจ้าก็จะรู้จักมันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้หลงหลืมต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ